บัดนี้บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายในพากันสมาทานพระกรรมฐานแล้วตอนนี้ไปโปรดฟังคําแนะนําในการปฏิบัติพระกรรมฐานสําหรับคําแนะนําในการปฏิบัติพระกรรมฐานนี้จะขอนำอบคุคลตัวอย่าง มาเล่าสู่ท่านฟังเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเพราะว่าแนวการสอนในการเจริญพระกรรมฐานได้สอนมาครบแล้วแม้ก็ครบหลายรอบหวังว่าบรรดาท่านนักศึกษาพเพื่อปฏิบัติทั้งหลายคงจะจําได้ดีแล้วก็ทําได้ด้วย จากนั้นจิงจะไม่ย้อนลอยถอยหลังมาพูดกันบ่อยๆเพราะมันไหลรอบเต็มทีตอนนี้ไปก็จะนํามาเรื่องบุคคลตัวอย่างคือพระกุดณดะกุนัดดัฎกะพระละกุณดะกะพัติยะเทระ <c oughs> ชื่อพระละกุณดะกะพัติยะเทระเรื่องของท่านชื่ออย่างนี้ จะไม่ดีเพราะขันห้ามันไม่ดีเวลาจะพูดขึ้นมามันก็ขัดคอไอ้คอมันขัดตือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของขันห้าถ้าเราไปสนใจกับมันเกินไปมันก็จะเป็นทุกข์ก็ไม่ควรจะสนใจมันมันจะดีก็เชิญดีมันจะเลวก็เชิญเลว มันอยากจะพังก็เชิญมันพังไม่เงี้ยแปลกอะไรขันห้าเป็นอันตรายสำหรับคนที่เมาในขันถ้าเราไม่เมาในขันห้าที่อย่างเดียวความสุขใจมันก็เกิดในเมื่อเรามีชีวิตอยู่อย่าใสาขันห้าอยู่่เราก็ต้องเลี้ยงขันห้าเมื่อเราเลี้ยงขันห้าเราก็ต้องทำขันห้าให้เป็นประโยชน์ ประโยชน์ที่เราจะพึงได้จากขันห้าก็คือเอาขันห้าเป็นครูว่าขันห้าทั้งหมดมันเป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้้ <c oughs> วขันห้าทุกอย่างมันก็เป็นทุกขงังถ้าเราไปเกาะมันเข้ามันก็เป็นความทุกข์ <c oughs> ในที่สุดขันห้ามันก็เป็นอนัตตาคือมีการสลายตัวไปในที่สุด ยังเวลานี้ที่จะพูดนี่มันก็คันคอขึ้นมามันก็อยากจะไอเวลาที่จะไอก็ห้ามมันไม่ได้เพื่อ <c oughs> มันอยากจะไอก็ให้มันไอไปไอไม่พอมันอยากจะตายก็ให้มันตายไปไม่เงี่ยเป็นเรื่องเป็นราวอะไรคันห้าเป็นภยัยคันห้าเป็นทุกข์ ไม่มีใครจะมีความสุขได้ด้วยอำนาจของขันห้ามันจะไอขึ้นมา <c oughs> มันจะคันคอขึ้นมาจะว่าอะไรกับมันถึงแม้ว่าเวลาที่มันจะตายเราก็ไม่สามารถจะห้ามปรามันได้เป็นอันว่าขันห้าเป็นภัยสำหรับเรา ในเมื่อคันห้ามันเป็นภัยทําไมเราจึงได้มีคันห้าที่เรามีคันห้าก็เพราะสายความโง่เป็นปัจจัย <c> โ <oughs> ง่หลงอยู่แนวหนาาของความรักโง่หลงอยู่แนวหน้าของความความโลภหลงอยู่แนวหน้าของความโกรธหลงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเราเป็นของเรา นี่เราจึงได้มีขันห้าเมื่อเรามีขันห้าเรารู้ว่าขันห้ามันเป็นปัจจัยของความทุกข์ถ้าเรายังเกาะขันห้าอยู่มันก็ไม่มีความสุขจะได้ขันห้ามันอยากจะพังก็เชิญพังมันจะเป็นอะไรก็เชิญเป็นมันจะเป็นของมันมันจะพังของมันก็ช่างมัน เมื่อมันพังเมื่อไรเรากับมันถือว่าอย่ากันเพียงนั้น <c oughs> ความผูกพันสาหรับคนห้จะไม่มีสาหรับเราจิตคิดอย่างนี้มันเป็นสุขแต้ว่าในระดับแรกเราอาจจะคิดแต่เพียงสัญญาจำเขาว่ามาอย่างนี้เมื่อฉันใช้สัญญาถี่ๆปรากฏขึ้นปัญญามันก็เกิด <c oughs> ปัญญาถ้าเกิดขึ้นมาเมื่อไรความสุขใจมีเมื่อ น, นั้นปัญญาตัวนี้ได้แก่ปัญญาเข็นขันห้าตามสภาวะความเป็นจริงว่าขันห้ามีสภาพไม่เที่ยงถ้าเรายึดๆเรายึดขันห้าใจเรามันเป็นทุกขันห้ามีสภาพแปรนัตตาคือสลายตนไปในที่สุด ไม่มีขันห้าในใดที่มีความสุขอย่างแท้จริงฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงพโยคาวจรทั้งปวงจงวางภาระคือขันห้าเสียแล้วท่านจะเป็นสุข <c oughs> นี่จะพูดกัเรื่องพระละกักขุนดกะะพระกุลดกะพะทัทยเทระ ก็พอดีคันห้ามันดันขึ้นมายุ่งก็เลยพูดกับมันก่อนต่อไปนี้ก็ข อ, อนําเลาเรื่องราวพระองค์สมเด็จพระชินวรสที่ทรงตรัสเพื่อเป็นประโยชน์แกบ่บรรดาท่านพุทธบริษัทมาเล่าสู่กันฟังฟังแล้วจะจําหรือไม่จําก็ตามใจจําได้และจะปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตามก็ตามใจ ใครอยากทุกข์ก็เกาะขั้นห้าต่อไปใครไม่อยากทุกข์ก็ละขันห้าสิก็แล้วกันมันก็หมดเรื่องเป็นนั้นว่าในความตามพระบาลีมีอยู่ว่าเ <c oughs> <c oughs> มื่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารพระองค์ทรงปรารบ รละลกุณดะกะพัติยะเทระตรัระธรรมเทศานานิว่านเตนะเทโรโหติเป็นตน้น <c oughs> ความพิสมันความพิสันดาลมีอยู่วา่า <c oughs> วันหนึ่งเมื่อพระเทระนั้นไปสู่ที่บำรุงของพระศาสนาพอหลีกไปแล้ว บรรดาบิสุที่อยู่ป่าประมาณส0มสิบรูปท่านใช้คำว่าประมาณในหรับฟังให้ดีเวลาใครเข้าไปถามว่าจะไปยันว่าสามสิบรูปตรงท่านใช้สับว่าประมาณส0มสิบรูปนี่เป็นถ้อยคำของพระอานนท์พอได้เห็นก็ถวายบังคมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สมเด็จพระบรมศา ส, สดาทอดพระเนตรเห็นอุปนิสัยแห่งความเป็นอรหันต์ขบันดาพิสุทธิ์นัลเหล่าลนั้นแล้วสมเด็จพระบาทิพแก้วจึงได้ตรงทับตรัสถามปัญหาว่าพิโเยดูก่อนพิสุทธิ์นันไลพระเทระอง์หนึ่งไปจากนี้พวกเธอเห็นไหม บรรดาพิสุทต์อหลายได้กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าพันเตภคะวา่าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระพ่ายเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าข่าบรรดาพวกข้าพระพุทธเจ้าไม่เห็นพระเจา้าค่ะสมเด็จพระบรมศาสดา จ, จึงได้มีพระพุทธดำรัสว่าพวกเธอเห็นพระเถระนั่นใช่ไม่ใช่หรือ อันดาพิสุทธิ์ทั้งหลายก็กราบทูลว่าหินสมณเณรรูปหนึ่งท่านั้นพระเจ้าค่ะสมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้มีพระพุทธฎีกาตัดว่าพิกเวดูกนพิสุทธิ์ทั้งหลายนั่นไม่ใช่สมณเณรนัน่นเป็นพระมาหาเทระอันดาพิสุทธิ์ทั้งหลายกราบทูลว่า เธอยังเป็นเด็กเล็กนักนี่พระพุทธเจ้าค่ะทำไมจะเป็นมหาเถระได้องค์สมเด็จไปจอมไตรบริมศาสัญดาจึงตรัสว่าพิฆเวดูก่อนวิสุทธหลายเราไม่เรียกเถระคำว่าเถระนี่ก็แปลว่าพระผู้ใหญ่จำให้ดีนะเถระไม่ใช่แปลวะ่าเถน ไอ้เทนมันมีสองเทนถ้าคำว่าเทระสระเอถอถงเขาแปลว่าะวะผู้ใหญ่ถ้าเทนนะสระเอนอนเองเขาแปลว่าะวะหัวข้าโมยแปลไม่เหมือนกันจำไปด้วยฟังคำว่าเทระเทร ะ, ทระแล้วก็ทราบว่ารพระผู้ใหญ่ท่านผู้นั้นเป็นผู้ใหญ่ อง์สมเด็จพระจอมตรายตรัสว่าพิสุทธ์ทั้งหลายเราไม่เรียกว่าเทระเพราะความเป็นคนแก่เพราะสักเตว่านั่งบุญอาสนะของพระเทระเป็นอนมาอาสนะของเทระมาที่ว่านั่งข้างหน้าเขา <c oughs> ส่วนผูดด้ใดแทงตลอดอ ส่วนผู้ใดแทงดัลลอดสัจจะท่านหลายแล้วตั้งอยู่ในความเป็นผู้ไม่เบียดเบียนมหาชนผู้นี้ชื่อว่าเทระเ <c oughs> มือ่อพระองค์ทรงตัดดังนี้แล้วได้ตัดบาไปกาถามว่า <c oughs> เออคอมันยุ่งจริงมันนี้นะบุคคลไม่ชื่อว่าเป็นเทระเพราะเพราะมีผมงอกบนศรีรษะ ถ้าพูดภาษาไทยดีกว่าบุคคลไม่ชื่อว่าเป็นผู้ใหญ่เพราะมีผมหงอกบนทิษะหรือว่าผู้มีวัยแก่รอบแล้วเราเรียกว่าแก่เปล่าอาะสิเมละจำให้ดีนะส่วนผู้ใดมีสัจจะธรรมะอหิงสาสัญญะและธรรมะ ผู้นั่นแหละเป็นผู้มีมนทินอันตนคลายแล้วเป็นผู้มีปัญญาเรากล่วกาวว่าเป็นเทระคือผู้ใหญ่นี่เป็นอันว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรปรมศาสดาทรงตรัสว่าท่านผู้เป็นเทระนั้นไม่ใช่หมายผู้เป็นผู้ใหญ่นั้นไม่ใช่หมายว่าคนแก่ที่มีผมหงอก และมีร่างกายคล่อมไปมีหนังเหี่ยวมีหนังย่นอย่างนี้องค์สมเด็จพระพุทธสุภุลเรียกว่าคนแก่เปล่าคือแก่แต่ว่าไมไ่มีประโยชน์อย่างที่นั่งเทศเขาบอกว่าแก่ฟักแก่แฟงแก่แต่งแก่น้ําเต่ามันไม่มีประโยชน์อะไรสู้แก่มาพราวไม่ได้มันยิ่งแก่มันยิ่งมัน แล้วองสมเด็จพระิชิตามายกล่าวว่าคนที่จะเป็นผู้ใหญ่ก็คือมีสัจจะสัจจะแปลว่าความจริงใจแต่ความจริงใจในที่นี้ไม่ใช่จริงเลวต้องจริงดีหมายความว่าอย่างพวกเราบรรดาท่านพุทธบริษัท น้อมใจเข้ามาเคารพในศาสนาขององค์สมเด็จพระจินัสสีบรมราษฎรศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าในปัจจุบันโ <c oughs> ดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งพิ่สุสมณนนีและก็ทราบความมุ่งมั่นในเขตของพระพุทธศาสนาแล้วว่าศาสนาขององค์สมเด็จพระบัีฑแก้วมีกิจที่ยงต้องพึงปฏิบัติอยู่สามอย่าง คือหนึ่งอธิศีนศิขาปฏิบัติศีนให้ครบถ้วนทุกศีขาบทไม่มัมหมองไม่บกพร่องสองอธิจิติกขาต้องพยายามทำฌานสมาบัติให้ทรงตัวสามอาธิปัญญาศิขาใช้พิจารณารู้เท่าทันสภาวะของขันห้า เห็นว่าขันห้ามันไม่เที่ยงถ้าเกาะขันห้าขันห้ามันก็เป็นทุกข์แล้วนายดีสุดขันห้าก็เป็นอนัตตาฟังไวก่อนเป็นอนุว่าขันห้าเป็นปัจจัยแห่งความทุกข์เราไม่ยุ่งกับขันห้าขันห้ามันจะเป็นยังไงก็ช่างมัน ความเมาในขันห้าก็ชื่อวเมาในกิเลสขันห้ามันดีตรงไหนตื่นขึ้นเช้าขันห้ามันก็หิวกินเข้าไปแล้วขันห้ามันอิ่มไหมขันห้ามันก็ไม่ยอมอิ่มเมื่อขันห้ามันไม่ยอมอิ่มก็ต้องกินใหม่กินเข้าไปเท่าไรขันห้ามันก็ไม่พอ เลี้ยงขันห้าด้วยสภาวะทั้งปวงต้องการเย็นเราหาความเย็นให้ต้องการร้อนเราหาความร้อนให้ต้องการภาพผ่อนทบทสบายที่เราพึงปรารถนาเราก็หาให้ทุกอย่างมันต้องการอะไรเราหาให้หมดแต่ว่าเจ้าขันห้ามันแสนเจะทรยศ์ มันไม่เคยซื่อสั์จริตสุจริตไม่มีความกตัญญูรู้คุณเราไม่ต้องการให้มันแก่มันก็จะแก่เราไม่ต้องการให้มันป่วยมันก็จะป่วยเราไม่ต้องการให้มันตายมันก็จะตายในเมื่อสภาพขันห้าเป็นแดนอกตัญญูไม่รู้คุณอย่างนี้ ทำไมในฐานะที่เราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระจินสีจิงจะมัวเมาในคันห้าต่อไปความจริงเท่านี้ก็พอถ้ามีความรู้สึกเพียงเท่านี้ก็ชื่อว่าจบกิจแห่งพระพุทธศาสนาจบตรงไหนคือว่าจบตอนตัดกิเลสให้เป็นสมุทเฉติบรหันหมด ที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงตัดว่ากิจอื่นทั้งท่านไม่มีแล้วคําว่ากิจอื่นที่ต้องตัดไม่มีคือกิจอื่นที่เป็นความเศร้าหมองของจิตไม่มีสําหรับเราถ้าระวางคันห้าเสียได้นี่สัจยาตัวนี้ที่ระบวชเข้ามาในาศาสนาเขาองค์สมเด็จพระจอมไตร ที่เราให้คำปฏิญาว่านิพานสสะสิจิกิยายะเอตังกาสาวังหิตวาจึงแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าจะขอรับข้าผ้ากาสาว่าพัดเพื่อทำให้แจ้งสิ่งพนิพันธ์ถ้าจิตใจขมุนดาพวกท่านทั้งหมดมีสัจจะก็ไม่ต้องเรียนอะไรพอเท่านี้พอ <c oughs> พอจริงจริงไม่ต้องไปทำอะไรเรียนกันแค่สัจจะตัวเดียวก็เป็นพระรหันต์ความเป็นพระรหันต์ไม่ใช่ของยากความเป็นพระรหันต์ไม่มีอะไรลาบากเราจะเป็นพระรหันต์ไม่ต้องมีการลงทุน เพียงแค่เรามีกำลังใจเข้มแข็งทรงอยู่ในสัจจะบรมีเท่านี้ก็พอสำหรับบรรดาท่านพรรุทธบริษัทที่เป็นฆรวาสก็ทรงสัจจะไว้ว่ากิดบุญในกิาวัตุทั้งสามดั ก, การหนึ่งทานนำใหม่บุญสำเร็จใิการบริจาคทานการให้ทานเป็นปัจจัยตัด ความโลภซึ่งเป็นกิร่ากเงาของกิเลสอันหนึ่งที่จะดึงเราไม่ถึงพระนิพพานตัดให้มันพินาศไปด้วยกําลังทานที่เราพึงให้ขนาดใดที่ใจของเราพอใจในการให้ทานขนาดนั้นความโลภจะหลายตัวเราชลาชนิดก็ชนะไม่ยาก สองเรามีสัจจะอยูว่าศีลใหม่บุญสำเร็จในการรักษาศีลที่องค์สำเร็จพระมหาโมลินทรงแนะนำสั่งสอนเราก็ทรงศีลให้บริสุทธิ์ศีลห้าเป็นปัจจัยสำคัญถ้ากำลังปจัจจัยของท่านมีกำลังใหญ่คือทรงศีลห้าในครบถ้วนบริบูรณ์เต็มอัตรา ต่อมาก็ยังมีศินแปดเข้าไปจําใจโดยไม่ต้องไปดึงมายึดมาถือเข้าไว้นั่นหมายความว่าท่านเป็นพระอนาคามีการทรงศินห้าในดีก็เป็นประสงคากับสกิทาคารทรงศินแปเป็นปกติเป็นจริยาของพระอนาคามีหรี่นิดหนึ่งเท่านี้คือโอ้คือว่ากินเลส ท, ที่เป็นโนุสัยทําลายเสได้แผลบเดียวก็เป็นอหรหันต ไม่แก่ภาวนาใหม่บุญส้นเด็ดียการภาวนานี่ความจริงมันไม่มีอะไรยากไม่ต้องลงทุนไม่ต้องลงแรงนั่งเฉยเฉนอนเฉยเฉยก็เป็นพระอรหันต์ได้ไม่มีอะไรลาบากกายลาบากใจนี่ความเป็นผู้ใหญ่ที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบอกว่าต้องมีสัจจะ สองธรรมะทรงไว้ซึ่งความดีความดีตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนธรรมะที่เราจะต้องส่องกฏถึงคืนหนึ่งไม่ติดอยู่ในสกายทิฐิเห็นว่าแต่ภาพร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราอารมณ์นี้ไม่มีในใจของเรา เห็นว่าแทรกร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเราคือจิตเข้ามาใสายกายโดยเฉพาะนี่ธรรมะที่ต้องไปจำใจสองวิจิตรฉาเราไม่สงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรด้วยใช้ปัญญาปัญญาพิจารณาแล้ว สามสีรพตรราบารมีสินอันใดที่องค์สมเด็จพระบัณฑิแก้วสมประทานรารักษาให้ครบถ้วนสีาม a r ฉันทะกามกุ่เป็นปัจจัยของโทษเราละได้ด้วยอำนาศกายทิฏฐิขโทษกายกตานุสติและอสุปกรรมฐานแล้วก็ห้าปฏิฆะ้แกาความกระทบกระทั่งมียรมุดหนีขี้โกรธอยู่เสมอ เราก็ตัดเสินได้ด้วยในอำนาจของพรหมีหารสี่หรือกสินสี่และรูปรายค่ารูปราคะ ค, ความเมาในรูปประชานและในรูปประชานไม่มีสำหรับเราเห็นว่ารูปประชานและรูปประชานเป็นบันไดเพื่อแยกก้าวเข้าไปสู่พระนิพพานเท่านั้นไม่ใช่ตัวพระนิพพานแท้ มาณนะความถือตัวถือตนว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราเรวกว่าเขาไม่มีสำหรับเราเห็นว่าสัตว์และบุคคลทั้งหมดเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันทําใจให้สม่าเสมอโ <c oughs> อเตจะอารมณ์ที่จะฟุ้งซ่านคิดจะจะยับยั้งความสุขไว้แต่เพียงเท่านี้ไม่มีสำหรับเราตั้งจิตใจเฉพาะอย่างยิ่งคือพระนิพพาน อวิชาตฉันทะกราคะเต็งสองรายการคือความใจคำความพอใจเป็นเทวดาความใจความพอใจเป็นพรหมและมีความพอใจเป็นมนุษย์ไม่มีสําหรับเราจิตมุ่งมั่งจะพน้นมุ่งมั่นเพาะ พ, พระนิพพานทรงธรรมะอย่างนี้ไว้เท่านั้นทุกท่านก็เป็นพระอรหันต์ไม่เห็นมีอะไรยาก อหิ้งสาความเบียดเบียนย่อมไม่มีสำหรับเราเรามีในความจิตเมตตาปรานีในพมิหารสี่อย่างนี้ไม่เห็นมีอะไรหนักสัญญ า, าการท่านลงตนไม่มีในเราธรรมะการข่มขีไม่มีแล้วในเราเป็นอันว่าความเลวทั้งหมดไม่ปรากฏว่ามีในจิต อย่างนี้องค์สมเด็จพระธรรมสามิตรจึงกล่าวว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่นะไม่ใช่คนเป็นผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ในกล้ามันโตกล้ามมันมากใบไหนก็เกกะมันมีความหนักแน่อหนาของกิเลสครั้นเมื่อองค์สมเด็จพระบ ร, รมโลกเกชสันแสดงพระธรรมเทศนาจบ รายกฏว่บบาบรรดาพิสุทธิ์ทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดเป็นพระอาหารหันต์นี่ทบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านตามที่นำเอาเรื่องนี้มากล่าวแก่ท่านทั้งหลายก็เพราะว่าถ้าจะยสอนกันตามแบบฉบับมันก็คงไม่ไหวเมื่อยปากกว่าเปล่า เพื่ออะไรเราสอนกันมายาวแสนยาวกรรมฐานสี่สิบไม่รู้กี่รอบมหาปฏิปฐานแนสูตรไม่รู้กี่รอบว่ากินกะรอบรอบตัวเป็นคำสอนแนะนำสอนกันมาไม่รู้กี่รอบตอนนี้เราก็เอานำอบบุคลตัวอย่างมาพูดสู่กันฟัง นี่จะต่อไปเราก็จะเห็นได้ว่าใครหลกักเปีนคนจริงจังต่อการที่จะหวังความสุขส่วนตนคือทาจิตใจของเราให้พ้นจากความทุกข์ได้การนิสขันห้าสามเณรน้อยถึงมีอายุเพียงเจ็ขวบที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวถามพระทั้งหลายเหล่านั้นว่าเธอเห็นพระมาหาเทระไหม <c oughs> ใ น, นความจริงองค์สมเด็จพระจอมไตรสอนเธอเพียงเดียวเดียวเธอก็เป็นพระอาหารหันต์นว่ก็อย่าไปนั่งแก้ตัวนะว่าเด็กไม่มีอารมณ์มากเด็กไม่มีนิวรณ์มากความจริงนิวรณ์หร อ, อารมณ์ไม่มีความสำคัญความสำคัญมันอยู่ที่ความเข้มแข็งของใจ พราถ้าเรามีกำลังใจว่าเราจะทำอะไรแล้วเราต้องทำจริงๆถ้าสิ่งนั้นมันไม่สำเร็จผลตามที่ตนตั้งนาเรายอมตายเสียดีกว่านีร่ระบรรดาพโยคาวจรทัหลายโดยทนนากระแสะพระสัทธรรมเทสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัส สมเด็จพระทรงสวัสิทรงคัดถ้อยคำที่มีประโยชน์จบันดาท่านนันหลาย mm hmm. แม่ว่าท่านั้นหลายเป็นผู้มีความไม่ประมาทแล้ว mm hmm. หวังว่าธรรมะขององค์สมเด็จพระบาทที่แก้วีิสอนไว้จะเป็นปัจจัยให้ท่านหลายมีความถูกเข้าถึงอรหัตผลเป็นอาดิยะบุคคลสูงสุดในพระพุทธศาสนาชื่อว่าจบ ก, กิจกร อาระบันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านมองดูเวลาก็หมดเสร็จแล้ววันนี้ก็ขอวไวแต่เพียงเท่านี้ต่อตีนี้ไปอารัดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน่นกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอธิยาัยตามอิริยาบททั้งหลายที่ท่านเห็นว่าสมควร